คนที่อยู่ข้างเดียวกับคุณอาจไม่ใช่คนดีและคนดีบางคนอาจไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับคุณเพื่อนคือคนที่คุณเปิดใจฟังศัตรูคือคนที่คุณปิดใจไม่รับฟังคนพาลอันตรายที่สุดตอนคบเป็นเพื่อนอย่าจำวิธีพิสูจน์เพื่อนแท้ด้วยการมองว่าใครมาอยู่กับคุณในเวลาลำบาก ลองตัดคำว่าเพื่อนทิ้งถ้าใจคุณเปิดอ้ารับฟังเหตุผลดีๆที่จะเกลียดใครสักคนที่จะเบียดเบียนคนสักกลุ่มในที่สุดคุณจะคล้อยตามถูกครอบงำด้วยความเกลียดอยากเบียดเบียนชาวบ้านก่อบาปก่อกรรมเป็นเหตุให้จิตใจตกต่ำดำมืดพร้อมจะตายเพื่อบูชาความเกลียดชังได้เหมือนอย่างที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายชักพาหนุ่มสาวเข้าร่วมอุดมการโฉดได้ ก็ผ่านเพื่อนผ่านคนรักนั่นเองลองตัดคำว่าศัตรูทิ้งถ้าใจคุณเปิดกว้างรับฟังเหตุผลดีๆที่จะศรัทธาความดีงามที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นในที่สุดคุณจะเห็นดีเห็นงามตามไปเถียงกับศัตรูผู้เป็นบัณฑิตดีกว่าคุยกันดีๆกับมิตรผู้เป็นพาน ถึงแม้คุณจะเป็นคนดีคนที่อยู่ข้างเดียวกับคุณก็อาจไม่ใช่คนดีและคนดีบางคนก็อาจไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับคุณหากมีสติตัดเรื่องข้างตัดเรื่องชอบไม่ชอบคิดหน้าแล้วรับฟังอย่างเป็นกลางเอาความปลอดโปรง่งจากการไม่เบียดเบียนกันด้วยใจเป็นที่ตั้งคุณจะพบว่าตัวเองได้ข้อคิดดีๆจากการถกเถียงกับคนดี มาลดระดับอัตราของตนตลอดจนได้จุดยืนเห็นข้อควรระวังจากการคุยเป็นกันเองกับคนร้ายไม่ปล่อยตนเองให้เพิ่มความหลงผิดตามเขาให้จำว่าเพื่อนแท้คือคนที่เตือนและคุณยอมฟังก่อนทำผิดคิดพลาดคือคนที่ชวนคุณเดินไปข้างหน้าหรือขึ้นสูงไม่ใช่ถอยหลังหรือจมลง คือคนที่พาคุณคิดเรื่องดีๆของตัวเองไม่ใช่พาคุณคุยเรื่องเสียๆของชาวบ้านคือคนที่จุดประกายความคิดพึ่งพาตนเองให้คุณไม่ใช่สร้างความเคยชินในการจ้องจะพึ่งพาแต่คนอื่นที่สำคัญคือเขาชี้ทางออกจากทุกข์ให้คุณได้หรืออย่างน้อยหอบยิ้วกันและกันไปบนเส้นทางคนทุกข์ได้